ธระมชาตในเรื่องอินทรียสังวรเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งนะเพราะาพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนปรินิพานเนี่ยได้ตรัสไว้หนึ่งคำก่อนที่จะหยุดพูดนะก็คือเรื่องของความไม่ประมาท เมื่อกลับมาดูว่าความไม่ประมาทคืออะไรพนะระองค์ก็ตรัสว่าถ้าปิสุไม่สังวรสำรวมอินทรีย์เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทแต่ถ้าเราสังวรสำรวมอินทรีย์ก็ชื่อว่าเราไม่ประมาทดันั้นด้วยการสังวรสำรวมอินทรีย์อย่างเดียวเนี่ยด้วยมัรวิธีนี้อันเดียวก็สามารถหลุดพ้นได้นะสติสัมปชัญญะ อะไรต่างๆทุกอย่างจะตามมาหมดนะ <c oughs> นั้นถ้าเราไม่สำรวมินรีร่วงบอกว่าจิตนะจะเข้าไปเกลือกล้วในวิสัยอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยตาหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างนะตามารมณ์บ้างอย่างนี้อันนั้นจะเป็นเหตุให้พบชาติชลามมณะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเลื่อนออกไปใน อายตนะใดก็ตามให้สํารวมจิตเข้ามาอยู่ที่กายของเราหรือที่พระองค์เคยตรัสไว้ว่าเตาหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกษุเพิงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมานผู้มีบาปจะทำอันตรายตถอไม่ได้ <c oughs> มานคือความตายนั่นเองจะทำร้ายเราไม่ได้ถ้าเรา สัมรณ์จิตยอยู่กับกายชื่อว่าเป็นที่หลบภัยจากมารชื่อว่าเป็นที่ต้านทานนะสำหรับมารชื่อว่าเป็นเสาเขืนเสาหลักของจิตเพราะฉะนั้นรูปกายของเรานี้ได้ประโยชน์หลายอย่างนะนี่ก็เป็นประเด็นในเรื่องของอินทรีย์สังวร ในเล่มนี้เราจะรวมให้พุทธวัชนะถึงกว่า60พระสูตรเพื่อให้เห็นถึงความสอดรับกันของคำพระศาสดานะที่พยายามสั่งสอนไม่ให้เราเนี่ยส่งจิตเคลื่อนออกไปในอารมณ์ในภายนอกนะหรือที่เคยตรัสกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าอย่าให้วิญญาณเนี่ยฟุ้งไปในภายนอกนะและอย่าให้ตั้งสยบอยู่ในภายใน พระองค์ตัดสั้นๆเท่านี้แล้วก็ลุกจากที่ประทับปลีกไปพระก็เลยไปถามพระมหากัจานะพระมหากรจรนะก็อธิบายเพิ่มเติมนะว่าการไม่ฟุ้งไปในภายนอกก็คือไม่ฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะการไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในก็คือไม่เพลินต่ออาัศาทะของความสงบที่เกิดขึ้น เมื่อเข้าชาตหนึ่งสองสามสีเนี่ยจิตจะได้ความสงบ <c oughs> แต่ถ้าเราเพลินต่อรสอร่อยของสมาธิชื่อว่าเราเนี่ยได้ตั้งสยบอยู่ในภายในคือไม่พินิจพิจารณาให้เห็นการเกิดดับแต่เมื่อได้ความสงบแล้วกลับเพลิดเพลินอยู่กับรสอร่อยของสมาธิอันนี้เรียกว่าผู้นั้นเนี่ยตั้งสยบอยู่ในภายใน เมื่อประมาหากจนะอธิบายดังนี้แล้วเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเพียงเข้าใจอย่างนี้ที่ถูกต้องเนี่ยให้ไปตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดนะพระองค์ตรัสตอบอย่างไรให้ทรงจำไว้อย่างนั้นนะก็ยังไม่กล้ารับรองคำพูดตัวเองทั้งที่ท่านก็เป็นพร ะ, ระหันนะ่ะภิกษุทั้งหลายก็เลยไปตามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็เลยบอกว่าเออถ้าพระองค์อธิบายก็จะอธิบายเหมือนกจนะเหมือนกัน เพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่กัจจา n ะพูดมาก็ถือว่าถูกลับรองโดยพระาศาสดานะก็จะเป็นเสมือนหนึ่งพุทธพจนะคำที่พระองค์ได้ตรัสเองการรับรองของพระองค์ก็มีหลายแบบในบางเรื่องที่อย่างที่พระมา ก, กัจจ ana อธิบายในยาวมากพระองค์ก็บอกว่าถ้าพระองค์พูดจะพูดอย่างนี้เหมือนกัน แต่ถ้าที่บายสั้นๆในบางครั้งปู่เจ้าก็จะพูดทวนคำของสาวกกรุปนั้นทั้งหมดนะอย่างนี้ก็จะมีลักษณะของการรับรองหลายแบบนะตอนนี้จะให้ <c oughs> <c oughs> ดูในประเด็นที่สำคัญสาคัญนะ เช่นถ้าเราไปดูในหน้าที่17 <c oughs> ในหน้าที่17เราดูวรรคที่3 <c oughs> ให้เรารู้จักคำว่าอนุสัยทั้ง3ในรูปแบบของเวทนา การที่เราเพื่อเพลินต่อเวทนาสามก็จะเกิดอนุสนะัยสามการที่เราเพื่อเพลินต่อสุขเวทนาเนี่ยจะเกิดราคานุสัยการที่เราเพื่อเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่กับทุกขเวทนาจะเกิดปฏิคานุสัยและถ้าเราเพื่อเพลินต่ออัตุคมสุขเนะวทนาเนี่ยจะเป็นการ ทำให้เกิดอวิชชานุสัยเพราะฉะนั้นถ้าใครจับเรื่องเวทนาตัวเดียวคอยดูอยู่ว่าเวทนาสุขเวทนาเกิดแล้วใช่ไหมที่สุดก็ต้องดับไปทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมที่สุดก็ต้องดับไปนะใครคอยดูสุขใครคอยดูทุกอยู่ภายในใจอยู่อย่างนี้ให้เห็นการเกิดขึ้นและการดับไปในที่สุดคนนั้นเนี่ยจะละ ราคานู้สัยแล้วก็ละปฏิการรู้สัยได้ซึ่งทั้งละสองตัวนี้ได้ก็อนาคามีบุคคลนะเพราะเป็นสังโยชน์ตัวที่สี่กับตัวที่ห้าของสังโยชน์เบื้องต่ำจิตของคนคนนั้นเมื่อไม่เข้าไปคล้องแวกกับสุขกับทุกข์คือราคานู้ใสยกับปฏิการรู้ใสไม่เพลินต่อสุขทุกจิตก็จะตั้งอยู่กับอทุกขมัสุุคือไม่ทุกข์ไม่สุข อยู่เฉยๆท่น mm ี้ไอ้ความเฉยๆตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นคนรู้ก็คือวิญญาณเป็นผู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์อัตุกรมสุขถามว่าตรงนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์หรือยังยังไม่เป็นแต่เป็นสภาวะที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการอยู่ทั้งโลกนะเพราะพระตถาคตบอกว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอัตุกมสุขเลยนอกเสียจากว่า มันดับไปได้เท่านั้นเพราะนั้นอุเบกขาเนี่ยมันไม่มีโทษเว้นแต่ว่ามันดับไปได้โทษมันมีนิดเดียวคือดับไปได้แต่เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันยังคือภพเมื่อมันเป็นภพมันก็จะมีชลาโมรณะชาติชลามลณะตามมาก็คือยังไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ <c oughs> แต่เป็นอารมณ์ที่ดีที่สุดที่ มนุษย์ในโลกควรจะอาศัยเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เพราะรดอร่อยของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งเมื่อยมอยู่อุเบกขาได้เนี่ยการเบียดเบียนกันไม่มีแม้แต่การเบียดเบียนตัวเองก็จะไม่มีเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่มีอย่างนี้นี่คือประโยชน์นะของอทุกขมะสุขนะ นั่นเพราะอางค์จริตตัดว่าบุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเพิดเปลนพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่อนุสัยคือราคะย่อมนอนย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นนั่นในหน้าสิเกี่ยวกับสุขเวทนานั้นถ้าเราผูกมีความสุขขึ้นมาปับ๊บแล้วเราก็ผูกจิตติดกับอารมณ์สุขนั้นต่อไปนี่เรียกว่าราคานุสัยย่อมนอนตาม อนุสัยคือความเคยชินต่ออารมณ์นั้นๆย่อมนอนตามบุคคลนั้นนั่นเองเราจะเคยชินไม่วางไม่ยอมวางพระงตัต่อว่าเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมเศร้าโศกย่อมระทมใจย่อมคร่ำครวญย่อมตีอกร่ำไห้ย่อมถึงความหลงไหลยอยู่อนุสัยคือปฏิฆะ ย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเสพครบกับทุกเวทนาแล้วก็มัหมกอยู่กับทุกเวทนานั้นไม่หาอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกเวทนาตามที่เป็นจริงนะอนุัยคือความเคยชินเนี่ยก็จะนอนตามเขาไปเล ย, เลย ไม่เวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่ในหน้าสิบแปดนะเขาย่อไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งสมุสมุตไทยนะสมุทยะของเวทนานั้นด้วยไม่รู้ซึ่งอะไรอัดถังคมะความดับไม่เหลือนั้นคำว่า น, นิโรดนี่เราจะได้เพิ่มขึ้นในคำเ้าเรียกว่าอัดถังคมะนะความดับไม่เหลือของมัน ซึ่งอัฏสาทะคือรสอร่อยซึ่งอาทีินวะคือโทษกับมันซึ่งนิศลนะอุบายเครื่องออกไปพ้นของเวทนานั้นอนุยัยคืออวิชาย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นนะเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตทรงอยู่กับอุเบกขาหรืออุกธรรมสุขเนี่ยไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ย คนคนนี้กลับไม่ใคร่ควรพิจารณาว่าอัตุกรมสุขเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่รู้จักสมุทัยของมันและไม่สังเกตว่าเวลาที่ได้อัตุกรมสุขเนี่ยมันดับไปเมื่อไหร่นีและจิตไปวุ่นวายอีกเมื่อไหร่อัตุกรมสุขดับไปแล้วเตืเอนไม่รู้ตัวจิตไ ป, ไปกับอารมณ์ใหม่แล้วก็เพลิดเพลินไปกับอารมณ์ใหม่ต่อไปอีกอย่างนี้ไม่กลับมาดูว่าตัวอัตุกรมสุขมเมื่อวานมันมีการเกิดตั้งอยู่สักแล้วมันก็ดับไป อย่างนี้คือไม่เห็นอัตังคมะความดับของมันหรือนิโรธไม่รู้ซึ่งอะไรอัศาธาลถอร่อยของเวทนานั้นนั้นอัศาธาเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพระองค์ตรัสว่ามีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นนี่คืออัสาธาลดอร่อยของอัตุกรรมสุขไม่รู้ซึ่งอารทีนวะโทษของเวทนานั้นคิดว่าโอ้อุเบกานี่ดีแล้วนะ ก็จะพยายามอยากได้อยากมีอยากเป็นนะซึ่งจริงๆการได้มีเป็นในสิ่งนั้นดีแต่ต้องเห็นอาทินวมันด้วยที่พระเจ้าตรัสว่าพราะองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้เท่านั้นเห็นนะโทษมันก็มีนิดนึ่งคือมันดับไปได้นะนี่คือโทษไม่รู้จักซึ่งอะไรนิสรณนะอุบายเครื่องออกไปพ้น ของเวทนานั้นด้วย <c oughs> ท่านี้อุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้มีอันเดียวคืออย่าเพลินกับมันนะไม่เพลินแค่นั้นเองนะการไม่มีนันทิหรือการไม่ตั้งสยบอยู่ในเวทนานั้นนี่คืออุบายเครื่องออกไปพน้นแล้วก็ให้ตามเห็นโทษของมันคือการดับไปนะ ที่พระ อ, องค์ตัดกับภาษาลิบุตรว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์นะคือเวทนาใดๆก็ตามจะเป็นสุขทุกอทุกขมสุขเดินไปสู่การดับหมดคือประชุมลงในความทุกข์คือความดับนั่นเองหรืออัตถังคะมะนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเวทนาใดๆจะเกิดขึ้นในจิตของโยมจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอัตุกรมสุขก็ดีที่สุดแล้วมันต้องดับนะแค่นั้นเอง นั้นแล้วในสามเวทนาจะให้อยู่กับเวทนาอะไรผู้เจ้าบอกอยู่กับอัตุกขรมาสุข2 อ, อันนี้รีบทิ้งนะสุขทุกข์รีบทิ้งอยู่กับอัตุกขรมาสุขแล้วก็ไม่เพลิดเพลิน เ, เห็นนิสฬนาของมันก็คือให้เข้าไปดูนะว่ามันดับไปเมื่อไหร่แต่อยู่กับมันได้แต่พอมันดับไปให้รู้ตัวนี่หลักการแค่นี้เรื่องการกาจัดเวทนาแค่นี้นะ รูปบกว่าบุคคลนั้นเนาะยังละราการนุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิกานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอัตถุ ข, ขมสุขเวทนาไม่ได้เมื่อยังละอวิชาไม่ได้และยังทําวิชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาจักทำที่สุดแห่งทุกขในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเนี่ยนี้ได้นั้นข้อนี้ไม่ เป็นฐานะที่จักมีได้เพราะฉะนั้นการที่จะหลุดพ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นฐานะที่มีไม่ได้นะ <c oughs> ในหน้าต่อมาหน้ายี่สิบเนี่ยรุ <c> ่ <oughs> <c oughs> งบอกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเปลี่ยนลงอยู่ในรูป รูปนั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์นะนั้นรูปมีอะไรเป็นตัวแทนของมันบ้างก็มีตาหูจมูกลิ้นกายห้าช่องทางนะเพราะฉะนั้นเวลาพู้เจ้าบอกเราเพลิดเพลินอยู่ในรูปเนี่ยยมต้องนึกไปถึง5อายจตนะเลยนะเพราะมันคือตัวแทนของรูปนะตัวที่จะสื่อให้ได้ว่ารูปเนี้ยมันจะรู้สึกได้อย่างไรท้งห้าช่องทาง นั่นก็คือจะหมายถึงว่าโยมกำลังเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ด, ด้วยห้าช่องทางเหมือนกันนะตั้งภายในและภายนอกอเห็นไหมว่าเวลาผู้เจา้าพูดสั้นๆแค่รูปเนี่ยเราต้องปีความให้ลึกด้วยว่ารูปประกอบด้วยอะไรนะด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมด้วยอายจตนะห้าของกาย อย่างนี้เป็นต้นนะผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในเวทนาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าจิตเราผูกกับอารมณ์สุขทุกข์หรืออทุกขรมสุขก็ตามเรากำลังเพลิดเพ ล, ลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์นะนผู้ใดเพลิดเพ ล, ลินอยู่ในสัญญาสังการตั้งหลายเพลิดเพ ล, ลินอยู่ในวิญญาณหมดเลยนะ ชีว่าเพื่อเปลีนอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพืเปลีนอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ได้นั้นเรื่องความเปลี่ยนนี้เป็นเรื่องใหญ่เนะีเป็นประเด็นใหญ่มากนะียิ่งบอกว่าเราเราขาดการสอนเรื่องความเปลี่ยนเนี่ยเราโหเราพลาดมรรควิธีที่ที่พระเจ้าเน้นย้ำ ม, มากไปหนึ่งมรรควิธีใหญ่ๆเลย เพราะฉะนั้นความเพลินไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในรูปเสียงกินรดหรืออายตนะใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่เราต้องคอยคอยละคอยถอนมันหมดเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของความเพลินเพรนั้นความเพลินเราใช้อีกคำอะไรแทนได้เราใช้คำว่าสัญญุค่ะคือว่า ผูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินที่พุทธเจ้าบอกถ้าความเพลินมีความพอใจจะมีถ้าความพอใจมีการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีการผูกจิตติดกับอารมณ์เรียกว่าสัญโยคนะะนั้นขณะที่เราเพลินปุ๊บสัญโยคะก็จะตามมาคือแทบติดกันเลยอันเดียวกันอย่างนี้ในหน้า21ก็เหมือนกัน <c oughs> หน้ายี่ส22ยี่สเหมือนกันเปลี่ยนจากรูปเสียงขิงรถเป็นจากสู่โสตค า, านะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองการเปลี่ยนก็ทั้งไอายชตนะภายในภายนอกในหน้ายี่สบเป็นการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง เน้นการเพลนกับอารมณ์หรือการผูกกับปรมทั้งหมดเลยตัวนี้นี่จะเห็นถึงความสอดรับกันของหลายๆ 3- า, า, ามสีพสูตรละที่กล่าวมาบอกนิฆาชละนะรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจกักษุอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใกล้น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความไร้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ ถ้าหากว่าพิสูจน์นั่งย่ำเพริด เ, เพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปนั้นไซเนี่ยแกพิสูจนผู้เพริดเพลินพร่มสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปนั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดก็ตามเนี่ยเพลินอยู่กับรูปนั่นแหละนะนันทิเกิดขึ้นแล้วน่ ะ, ะเมื่อ น, นันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีคือความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมี เพราะถ้าเราไม่พอใจเราจะไปผูกติดกับอารมณ์นั้นทําไมใช่ไหมเราจะไปเพลินทำไมเมื่อสาระข้ามีอยู่สัญญคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีนะก็จะเรียกว่าเรียกคนลมุมกันก็ได้จริงๆมันก็เหมือนเทบจะเหมือนกันเลยขณะที่โยมผูกกับอารมณ์ไปก็คือเรียกว่าเพลินหรือพอใจหรือจิตผูกกับอารมณ์นะ นั้นสามคำนี้แทบจะเรียกแทนกันได้เลยนะเพียงแต่แตพูดกันคนละมุมเท่านั้นเองพิสูจผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยมหน้าแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองเรากำลังมีเพื่อนสองแล้วนะ <c oughs> ก็จะหลุดพ้นไม่ได้ <c oughs> พระองค์บอกเลยว่าไม่คาชาละภิกษุผู้มีการอยู่นะด้วยอาการอย่างนี้แม้จะซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัดซึ่งเงียบสงดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องคลิกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทาการรับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเร้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองนั่นย่อมจะเข้าไปในทอใน้องท่ามเส้นเอ๋มผาป่าช้าป่าชา้ า, ชาที่ไหนก็ตามเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอะไรเป็นเพื่อนสองนะพระองค์บอกว่าตัณหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของพิสูจน์นั้นตัณหานั้นอันพิสูจน์นั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุ น, นั้นพิสูจน์นั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง เพราะตัวตัณหาเป็นตัวที่นำพาเราไปสู่อารมณ์นั่นเองตัวความอยากที่นำพาจิตเข้าไปสู่อารมณ์นั้นแล้วก็เพลินและพอใจและผูกติดกับอารมณ์นั้นไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปอยู่คนม้อยู่ท้องถ้ำก็าตามเรานั่งสมาธิอยู่แล้วเราก็จิตปรุงไปคิดไปนี่เพื่อนสองมาแล้วโผลมาแล้วะจะอยู่ที่นี่ก็ตามถ้าเราผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยเรเรามีเพื่อนสองแล้ว เห็นไะหเพราะฉะนั้นให้เข้าใจที่พระองค์ตัดไว้เนี่ยมันเป็นการอธิบายอาการในจิตของเราทั้งนั้นเลยนะว่าจิตของเรากําลังสร้างเพื่อนสองขึ้นมา <c oughs> นะบางทีเพื่อนสองก็เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างอย่างนี้นะถ้าเพื่อนสองเป็นอกุศลเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องรีบดับให้ไวที่สุดนะ เธอต้องใช้ฉันทาวายามะอุสาหาอุสุลหีปฏิวานีสติสัมปัชัญญาอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับอากุศลนั้นเสียโดยด่วนนั่นนี่ในเพื่อนสองนั้นก็มีการจัดกลุ่มอีกถ้ากลุ่มอากุศลเนี่ยรีบทิ้งเลยเหมือนไฟไหม้ลุกโรงเสื้อผ้าเรา ล, ละถ้ากุศลก็ยังพอครบได้นิดหนึ่งแต่ที่สุดก็ต้องต้องลาจากมัน นะนะต้องทิ้งมันเพราะมันยังก่อพบให้เราอยู่ยังสร้างการเกิดยังเป็นพบเป็นสถานที่เกิดอยู่อย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าในทางตรงข้ามนะถ้าเราไม่เพลินกับอารมณ์พระองค์บอกนันทิย่อมดับนะจิตไปคิดเรื่องใดก็ตามเราไม่เพลินรีบวางปับ๊บนันทิความเพลินจะดับไปทันทีเมื่อนันทิดับพระองค์บอกสาราคาก็ดับคือความพอใจในลมก็ดับ <c oughs> มันถ้ายมยังพอใจอยู่จิตจะผูกอารมณ์ถ้ายมละมันได้นั่นคือยมละความพอใจได้ ละความเพลินได้เขาจะละกความพอใจได้เมื่อละความพอใจได้ก็จะละการผูกจิตติดกับอารมณ์นั่นเองจิตกำลังผูกกับอารมณ์ปุ๊บระดับเลยปับ๊บจิตก็ดับจากอารมณ์นั้นทันทีนะกลับเข้ามาตั้งอยู่ที่กายยคตาสติอย่างนี้มิคชาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพรามแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอานาจแห่งความเพลินความเพลินนี้มันเป็นอานาจเลยนะ พระองค์เรียกธรรมราคะธรรมนันทีธรรมราคะคือความพอใจธรรมนันทีคือความเพลนินอำนาจของความพอใจอำนาจของความเพลนินตัวอวิชาทําให้ตัวเนี้ยมันยังดํารงอยู่ตลอดเวลานั้นตัวนี้นี่ลากเราไปยันนิพพานเลยนะพระองค์จึงบอกว่าพระหันทั้งหลายเนี่ยย่มลากความเพลินเนนิพพานยอมดูว่าความเพลินมันมีอํานาจขนาดไหนที่จะทําให้จิตเราเนี่ยผูกกับอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆขันห้า นะแล้วก็ไปยันนิพพานนั่นแหละนะนะ <c oughs> ถ้ายอมรับความเพลินได้เนี่ยพระองค์จะเลือกพวกเราว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะบอกมิฆาชาละภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยกันอย่างนี้แม้จะอยู่ในหมู่บ้านอันเกลืนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชามหามาดของพระราชาทั้งหลายด้วยเดยรถีสาวกของเดรถีทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นพิสุนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้เห็นไหเพราะอะไรตันหานั้นและเป็นเพื่อนสองของพิสุนั้นตันหานั้นอันพิสุละเสียได้แล้วองค์จึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว สาสานะหัวเรื่องที่เจเนี่ยความพอใจเป็นเหตุแห่งทุกนะทุกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทัพเป็นมูลมีฉันทัพเป็นเหตุเพราะว่าฉันทัคือความพอใจเป็นมูลเหตุของความทุกข์ในอนาคตก็เช่นเดียวกันนะอืม นั้นอดีตอนาคตและในปัจจุบันทุกใดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็มีเพราะฉันท่เป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเห็นไหมว่าพราะสูตรนี้ก็สอดรับกับมิข่าละเมื่อกี้ว่าความพอใจนะจะสร้างความเปลินนะจะสร้างการผูกจิตติดกับอารมณ์จะเป็นเหตุให้ตัณหายังมีอยู่เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ไม่ได้ จะเห็นถึงความสอดรับกันของคำพระาศาสดาจะไม่มีตรงไหนเลยที่ที่มาตรัดขัดแย้งกันนะในหน้า32มสองสานะนี่ก็ก็เน้นอีกนะในพุทธธชนะบทนี้ก็บอกว่า เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือตัวความพอใจเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิถ้าละความเพลินได้จะละความพอใจได้ถ้าละความพอใจได้ก็จะลัความเพลินได้เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้ดีสิ้นความเพลินสิ้นความพอใจจิตหลุดพ้นเลยนะอืมสั้นๆแค่นี้เองนั้น ในหน้าส .2 นี้เป็นช็อตเด็ดอีกเหมือนกันนะอัตามาจะยกมาพูดให้พวกเราบ่อยๆนะในเรื่องนันทิขยาราคคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคคยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินะนันทิราคคยาจิตตังสุวิมุตติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี แค่สามบรรทัดของบาลีน ะ, ะเราสวดทุกวันตรงนี้ละนันทิจำให้ได้นะเป็นใน ใ, นใด้จิตหลุดนพะ้นในหน้าสามสี่สสิบห้าเห็นไหมตอนที่เรานั่งสมาธิอรรมายกประสูตรนี้ขึ้นมาหน้าสมสี่เนี่ย ว่าถ้าบุคคลเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดํารีถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่เป็นยังไงความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบเกิดแล้วเราคิดเรื่องอะไร พบเนี่ยพบเกิดแล้วทันทีเลยแล้วถ้าเราให้พบมันอยู่ต่อไปยอมลงไปดูหน้า35หน้าต่อกันเลยเนี่ยนะคูบแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดพิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าพบเนี่ยก็ฉะนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลับนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ไม่มีประโยชน์เลย เราคิดถึงสิ่งใดปั๊บมันเป็นพบใช่ไมพบแม้นิดเดียวก็ไม่มีคุณอะไรเลยที่พอจะกล่าวได้นั่นคือเป็นเหตุของเหตุผลของการละนันทิว่าจิตไปรู้เรื่องใดปั๊บวางเลยอันนี้เป็นมรรควิธีที่เร็วที่สุดเลยนะเร็วที่สุดแล้วคือดับพบโดยตรงเลยมเมื่อพบไม่มีชาติก็ไม่มีเมื่อชาติไม่มีแก่ตายจะไม่มี ที่ผู้เจ้าบอกอนนท์ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอไม่มีทางมีขึ้นมาได้เลยแก่และตายจะไม่มีขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดการมาการไปของจิตหยุดคิดไม่ให้จิตคิดเรื่องอะไรก็ตามปุ๊บพบไม่มีพบไม่มีชาติก็จะไม่มีชาติไม่มีแก่ตายจะไม่มีนั้นทำยังไงจึงไม่ให้มีการมาการไปขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นมักวิธีที่ที่ไปคิดแล้วก็ปรุงต่อไปดีไม้ก็ดีระดับหนึ่งแต่ยังสร้างภพเพราะนั้นเวลายมเข้าใจเรื่องปฏิจจสุบาทเรื่องการลานันทิยมจะเห็นเลยว่ามักวิธีต่างๆที่ยังใช้การสร้างภพสร้างชาติปรุงต่อไปเนี่ยยังเป็นมักวิธีแบบว่าเล่นช้าแล้นะยังยังสร้างภพอยู่ตลอดนะ ก็โอเคเป็นพบที่ดีจริงเป็นมักวิธีที่ใช้ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับการละนันทีแล้วไกลกันมากน ะ, น ะ, นะการละนันทีจะปุ๊บดับเลยนะพบจะดับทันทีนะ <c oughs> จึงเป็นมักวิธีที่พระองค์สอนถ้ายมกีคำบ้านันทีก็ไปจะเจอประมาณห้าห้อยพสูตรเยอะมากเพราะฉะนั้นใน นักพุทธการพระองค์จะใช้การละนันทิสอนบ่อยมากนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทาไมจะต้องมาละนันทิแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องถามว่าเอ๊ะแล้ว อ, อาหารเป็นปฏิกูลดีไหมดีอสุภะดีไหมดีดีหมดะเป็นมรรคิธีที่พูุทธเจ้าตรัสไปหมดแต่สร้างพบไหมสร้าง ถ้าเราทำก็ทำได้แต่ต้องรู้นะขณะนั้นเรากาลังสร้างพบและพบแม้ชว่วลัดน้มือเดียวก็เหมือนมูดคูดไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้นะเพราะฉะนั้นต้องรู้ธรรมะของพระเจ้าเป็นขั้นๆด้วยว่าชั้นปฐมชั้นมัธยมชั้นมหาวิลัยชั้นไหนนะนะนั้นถ้าใช้มรกวิธีที่สุดหรูแล้วก็ไม่ต้องกังวลมรกวิธีอื่น น, นะใช้อ น, นี้ต่อไปได้เลยเรื่อยๆนะ เราจะได้ทราบเหตุผลว่าทําไมเหตุผลประกอบคืออะไรนะเนี่เก้าพระสูตรแรกที่บอกมาก็จะเห็นถึงความสอดรับกันทั้งหมดซึ่งพระสูตเหล่านี้ตัดกันคนละเวลาคนละสถานที่คนละบุคคลทั้งนั้นนะนี่คือความเลอของคําพระศาสดาว่าพระศาสดาไม่มีการพูดที่ขัดแย้งกันเองเป็นบุคคลเดียวในโลกที่พูดไม่ขัดแย้งกัน นั้นการขัดแย้งในธรรมวินัยนี้มีขึ้นไม่ได้ถ้ามีการขัดแย้งกันต้องมีคนหนึ่งจำมาผิดใครจำมาผิดเท่านั้นเองนะวิธีตรวจสอบก็คือเข้าไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยที่ ต, ตถาคตบัญญัติเอาไว้ ในหน้าสามสิบจ็ดจะเป็น <c oughs> ที่พระองค์ตัดกับวัชชะว่าเชื้อของไฟคืออะไรและเปลวไฟที่ปลิวไปเพื่อไปตกใหม่มันมีอะไรเป็นเชื้อก็คือลมนั่นเองนี่เขาถามพระเจ้าถ้าสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล พระโคดมย่ำบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้นนะถ้าถือว่ามันยัง ม, มีเชื้ออยู่คงบอกว่าวัชชะนะสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิไปไกลเราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่ามีลมนั่นแหละเป็นเชื้อนะเพราะว่าสมัยนั้นลมย่ำเป็นเชื้อของเปลวไฟและวัชชะก็ถามได้ดีมาก โดยมาเปรียบเทียบกับเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเชื้อของการได้กายใหม่ต่อไปเห็นไหพรมก็บอกตัณหานะคือความอยากนั่นแหละคือเชื้อของการได้กายใหม่อย่าวัชชาสมัย ใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นเห็นหเรากล่าวสัตว์นี้ว่ามีวินมีตัณหานั่นแหละเป็นเชื้อเพราะว่าสมัยนั้นตัณหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้น <c oughs> เห็นไหมถ้าโยมนิกได้ที่อตมาบอกว่าไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีพระองค์ไม่เคยบอกว่าวิญญาณทอดทิ้งกายนี้เห็นไหม ท่บอกแต่ว่าสัตว์อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เวียนว่าตายเกิดคือสัตว์นะหรือเรียกเต็มๆว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกนั่นเองที่เล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตรบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่นะไม่พูดว่าวิญญาณเวียนว่าตายเกิดตามที่อ ลุ่นก่อนๆเขาพูดก่อนมานะเพราะพระศาะ ส, สดาจะตำหนิเรื่องนี้ไม่มากนะขนาดลูกศิษย์ของท่านเองภิกษุชื่อสาติพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระองค์บอกว่าเธอย่อมกล่าวตู่เราด้วยท้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยเธอถือท้อยคำเอาผิดแล้วมากล่าวตู่เราเหมือนโยไม่เคยว่าคนนี้นะ แล้วอีกคนมาบอกว่านี่เธอเนี่ยไปว่าเขาอย่างนี้อย่างนี้ฉันไม่เคยพูดเลยนะผู้ช่างเขาบอกเราไม่เคยพูดผู้ช่าประชุสมสงฆ์ทันทีถามสาติที่เธอพูดเรื่อวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะเราพูดแก่ใครเมื่อไหร่ที่ไหนไหนะตอบมาสินะอ่เห็นนะนั้นอาตมาได้ยินมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะแล้วเราก็เราเองก็เคยพูดเ่อวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่พอมา ดูที่พระศาสดาเราตรัดไว้พุทธมรรคณะคําที่ออกจากปากพระองค์พระองค์ไม่เคยพูดคํานี้และถ้ายมสังเกตดีๆทุกๆพระสูตรเลยถ้ามีการเวียนไหวตายเกิดพระองค์จะใช้คําว่าสัตว์เราจะเริ่มสังเกตและนั่นแต่ก่อนเราอ่านคําพระพุทธเจ้าอ่านเผลนๆก็ไม่เห็นมีระยสัตว์สัตว์ตวอืมแต่พอมาสังเกตอ๋อไอสัตว์ตัวนี้เนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า สัตว์เติมให้เป็นผู้เห็นอ้ายตายเกิดนะอ่าอย่างนี้เและจริงๆสัตว์ก็คือทุกคนเลยพรมก็เป็นสัตว์เทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์ไปริสัยสัตว์นรกเดรัจฉานนะอืมแล้วสัตว์หมายถึงอะไรพระองค์ให้คํานิยามอีกนะเห็นไหมนี่ความรอบครอบของพระศาสดาไม่บอกหมดเลยคุถามว่า คำว่าสัตว์ว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร่พระเจ้าค่ารุ่งเขาบอกว่าอะไรความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหานใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วการค้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยพระองค์เรียกสิ่งนั้นว่าสัตว์มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเข้าไปหลงยึดติดขันห้าสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าสัตว์เห็นไหมว่าสัตว์เป็นคนเข้าไปยึดวิญญาณเพราะฉะนั้น วิญญาณเวียนไหวตายเกิดจริงไม่มีสัตว์นี่แหละเป็นผู้เวียนว่าวตายเกิดโดยเข้าไปหลงยึดวิญญาณว่าเป็นเป็นตัวมันและเมื่อวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ไปหมายเอาอารมณ์นั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวเราอีกซ้อนกันกี่ชั้นเห็นไหมหลายชั้นนี่กว่าจะแกะออกมาถอยออกมาถอยออกมาถึงตัวสัตว์ใช่ไหมแล้วทีนี้ สัต์นี้อีกเหมือนกันซึ่งเมื่อปฏิบัติมรรคแจนสมบูรณ์แล้วทำให้อวิชชาจางคลายไปและวิชาเกิดขึ้นแล้วสัตว์นี้ก็จะถูกเรียกว่าวิมุตติยานัทสนะนั่นคือจริงๆพวกเราทุกคนก็คือวิมุตติยันัทสนะนั่นเองแต่หลงหลุดเข้ามาในสังสารวัฏจึงถูกเรียกว่าสัตว์โลกหรือสัตว์ทั้งหลาย นั่นคือจริงๆแล้วเ ร, เราเราทั้งหลายคือผู้บริสุทธ์ทั้งนั้นเลยคือคนดีทั้งนั้นหลไม่มีคนเลวเลยในโลกนี้นะจะเป็นโจนปาสนะนักปนนัก่ะคนดีหมดเพียงแต่มันหลงมากหลงน้อยแค่ น, นั้นเองนะหลงมากหน่อยก็ไปพบที่ไม่ดีอยู่กันเนิ่นนานนะหลงน้อยก็กลับมาสู่สภาวะเดิมของตัวเองได้เร็วขึ้น นะนั้นเราเริ่มเริ่มสบายใจขึ้นว่าไม่มีใครในโลกที่เร็วดีหมดเลยนะอะเป็นวมุติกันหมดเป็นแต่เพียงยังมีความหลงความหลงว่าขันท่าเป็นตัวตนปั๊บนี่ก็เลยเกิดแก่เจ็บตายแล้วที่เกิดแก่เจ็บตายก็พบดีบ้างไม่ดีบ้างเร็วบ้างไม่ดีบ้างกลับไม่กลับมาอยู่อย่างนี้พระองค์จึงบอกว่าเราเนี่ย เคยเกิดเป็นทั้งพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่นะเคยเกิดเป็นสัตว์ถูกเขาฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอมากกว่าน้ํำในมาหาสมุทรทั้งสี่น้ำตาที่เธอเคยร้องไห้ก็มากกว่าน้ําในมาหาสมุทรทั้งสี่เราเคยเกิดกันมาแทบทุกภพเลยเพราะฉะนั้นเราไหว้พรมไหว้เทวดาแต่ก่อนเขาก็เคยไหว้เราเนี <c oughs> ผัดกันไหว้มัง่ง <c oughs> <c oughs> ชาตินี้ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็ขอไปไหว้เขาก่อน นะเดี๋ยวรู้เรื่องมาแล้วก็คงจะเลิกเองนะอย่างนี้เพราะเขาก็เคยไหว่เราพระเจ้าบอกเราเคยเป็นคนจนคนรวยมากันแล้วทั้งนั้นเคยเป็นคนพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเป็นคนร่ำรวยมหาศาลมาแล้วตลอดการยาวนานนะเคยเป็นคนจนมาแล้วตลอดการยาวนานนานมากสังสารสนี้นี่คือความที่หลุดหลงมาในสังสารสจึงเกิด แก่เจ็บตายไปกับขันห้า <c oughs> รุ่งจึงบอกว่าถ้าเธอยังยึดขันห้าเนี่ยเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อวิ ญ, ญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณมันจะเกิดดับเกิดดับไปตามวิญญาณมันจะคิดว่ามีใครตายมีอะไรตายเพราะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเรารุ่งจึงชี้ไปที่ว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียแมมตามันก็ของเราเจะไปละได้ยังไงใช่ไหมเอเนี่ย เรนั้นก็จะเริ่มเข้าใจสิ่งที่พระองค์บอกแล้วว่าทำไมพระองค์ึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอจมูกลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานๆเ น, นี่ยคือเราจะกลับไปสู่สภาวะเดิมของเราเองทุกคนนเองเ น, นี่ยมองภาพรวมให้เห็นทั้งหมดเนี่ยภาพรวมทั้งหมดให้เข้าใจ ว่าเรามาทำอะไรมานั่งปฏิบัติทำอะไรมั่ทำไมต้องนั่งสมาธิทำไมต้องละความเพลินทำไมต้องรักษาศีลทำไมต้องทำทานก็เพื่อให้เกิดความรู้ภูมิปัญญาเพื่อกลับเข้าไปสู่นิพพานหรือวิมุตต์นะสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนนั่นเองนะ่ <c oughs> นตรงนี้ก็ให้ทราบว้า สัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกัน้นนะเป็นคนท่องเที่ยวไปไม่มีวิญญาณซึ่งพระองค์จะตําหนิสาติถึงกับว่าจะไล่ออกจากความเป็นพิสูจนเลยบอกว่าสาตว์พิสูุทั้งหลายเนี่ยพิสูจน์่สาติยังพอจะนับเป็นพิสูจนะ์ะในธรรมวินัยนี้ได้ไหมเนี่ยนะเพราะพระองค์บอกว่าเนี่ยเธอย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือว่าผิดด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยนะอืม เพราะเราจะไม่สามารถแกะเข้าถึงธรรมชันลึกแล้วยองคิดดูว่า <c oughs> คำพูดผิดนี้ถูกถ่ายทอดกันไปรุ่นต่อรุ่นมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดของเรามาจนถึงเรานะ่ะใช่ไแสดงว่าแต่ก่อนสมัยผู้จ้าเนี่ยไม่มีการพูดอย่างนี้แล้วมีการตำหนิแล้วก็มีการพูดผิดมาแล้วก็มีถ่ายทอดผิดมาเจอทั้งต้องมีการแก้ไขกันใหม่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นอย่างในปีนี้ซึ่งเป็นปีครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจรึงควรจะกลับเข้าไปศึกษาพุทธวจนะเพื่อกลับไปสู่สัจจะความจริงของแท้ว่าเอ๊ะจริงๆริงพระเจ้าสอนอะไรพูดอะไรกันแน่เพราะเราก็พูดตามๆกันมานานพอสมควรนะแต่หลักฐานนี้นานกว่านั้นหลักฐา น, นี้มีอของโยมเนี่ย2500กว่าปีนะตกทอดมา <c oughs> ตั้งแต่สาวินโศ มาที่ไล่เลียงมาถึงนะในดินแดนสุนภูมิแล้วก็ไล่ามาถึงรชัชกาลที่หนึ่งนะที่ทำเป็นไบาลานโดยการประชุมพรภิกษุ200กว่ารูปทั่วประเทศช่วยคัดลอกพระไตรปิฎกใหม่หมดใช้เวลา6เดือนจึงลอกเสร็จก็คือไบาลานอักษรขอมนะตัวนี้และจากตัวนี้ก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงรชัชกาลที่หนะได้ ประชุมพระอีกร้อยกว่ารูกเพื่อช่วยกันแปลกลับมาเป็นอักษรสยามอีกทีหนึ่งนะซึ่งก็คือตัวนี้นะเป็นการพิมพ์พระตร ว, วิฎกเป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกซึ่งแต่ก่อนเขาจะทำาเป็นใบาลานเหมือนกันแต่เทคโนโลยีการทำหนังสือเข้ามาพอดีราชการที่5มองว่ามันพิมพ์ได้เยอะกว่านะแพร่หลายได้กว้างไกลกว่าพระองค์จึงพิมพ์สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พันช่าง พิมพแจกจ่ายไป260กว่าแห่งทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศนะ <c oughs> และจากตัวนี้ก็ทยอยพิมพ์มานะแปลกลับมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันของเราเนี่ยแต่และราชการก็ทำกันได้5เล่ม10เล่มบ้างมาเสร็จในปีพศส0 0พัน้านั้นเป็นงานที่ทำกันยากนะกว่าจะทำเสร็จ และจากนั้นก็อยู่ที่ใครจะหยิบไปศึกษานะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยถูกบรรจุไว้ในนี้เพียงแต่ไม่มีคนไปศึกษาแต่ทีนี้อย่าลืมอย่างที่บอกในข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดนี้ <c oughs> อันนี้คือตัวบาลีสยามรัฐเล่ม <c oughs> เล่มจริงเป็นการพิมพ์ครั้งที่สอง <c oughs> นะอันนี้สองสี่หป นั้นอย่างที่บอกอย่าลืมว่าข้อมูลจริงทั้งหมดเนี่ยในข้อมูลที่เก่าวที่สุดในโลกเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งคือพุทธวจนะซึ่งเป็นข้อมูลจริงนะที่ไม่มีข้อผิดและส่วนหนึ่งคือคําที่แต่งขึ้นในแต่ละยุคใครมี power ในการทำพระไตรปิฎกแต่ละยุคก็จะใส่ความเห็นเข้าไปเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้ น, น, นเรื่อยๆในส่วนนี้แต่ส่วนนี้จะคงที่นะไม่มีการเปลี่ยนแปลง นั้นบางยุคผู้เจ้าตัดไว้หน้าหนึ่งก็อธิบายไป20บหน้าบ้างสาสบหน้าบ้างเราเคยเจอที่ผู้เจ้าตรัดไว้บรรทัดเดียวอธิบายไปหนึ่งรกว่าหน้านะก็จะมีอธิบายกันเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยพระตถาคตเรียกสาวกภาสิตาคือคําที่สาวกภาสิทธิขึ้นสิ่งใดที่สาวกภาสิทธิขึ้นหรือบัญญัติขึ้นเองพระองค์บอกว่ายังไง อย่าเ ง, งี้ยหูลงฟังอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแต่ปรากฏว่าการเล่าเรียนในพุทธศาสนาในปัจจุบันเล่าเรียนในส่วนสาวกภาสิตากันเกือบหมดเลยนี่คือปัญหาใหญ่นะทำให้เราได้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะเพราะฉะนั้นในปีนี้ซึ่งครบการตัดสรุปเราควรจะแสดงความกตัญญูต่อพระศาสาด้วยการกลับมาศึกษาคาศาสา ไม่ใช่กัะตันอยู่ด้วยการไปศึกษาคำคนอื่นดีกว่าอย่างนี้น่าจะไม่ตรงนะแต่มาว่าถ้าตรงคือควรจะกลับมาศึกษาคำศา ส, สดาอย่างนี้นั้นอย่างที่เราศึกษาณนะวันนี้จะเป็นพุทธวจนะทั้งหมดไม่มีคำของใครนะและคำสอนสาวบไม่มีคำสอนสาวบมีไม่ได้เพราะสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนไม่ใช่ผู้บัญญัติคาสอน สาวกมีแต่พูดตามพระศาสดาทำตามพระศาสดาและประกาศคำพระศาสดาออกไปอย่างนี้แล้วเราจะมีอาจารย์คนเดียวกันคือมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอาจารย์ทุกคนจะยิงตรงถึงผู้เจ้าได้ทั้งนั้นนะ <c oughs> และเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยพระศาสดาบอก <c oughs> คำตถาคตเหรอเรียกตถาคตภาสิตาเธอต้องเงี่ยหูลงฟังต้องตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัถึงต้องสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรเข้าไปศึกษาเล่าเรียนนะอ่ นั้นอย่าไปมองผิดว่าคําตถาคตเป็นคําที่สูงเกินไกลเกินหีืเป็นเพียงทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้อะไรพวกนี้เหตุผลไม่ใช่เหตุผลเป็นคําพูดของคนที่พูดขึ้นเองโดยที่ไม่รู้เรื่องนะนั้นต้องฟังพระพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> นะนั้นถ้าโยมสอนลูกโยมลูกอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมีคนอื่นบอกอย่าไปฟังคําพ่อมันนะฟังคําผมเลยไอพ่อจะคิดยังไงนะไอไอนี่มันขายวะเนี่ยเสียมะ เหมือนการนั้นพระองค์เป็นพระบิดาของภิกษุทั้งหลายในโลกนะพระองค์คนแรกนะในครังพุทธการมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งมีมีภิกษุมาบวชในธรรมวินัยนี้แล้วก็ลาสิกขาไปแล้วก็ไปไปอยู่กับสำนักปริพาชก อ, อืน่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาบวชมาในธรรมวินัยนี้ในธรรมวินัยของสมนัโคดมแล้วเขารู้ทั่วถึงธรรมวินัยหมดแล้วไม่มีอะไรเลย ขาวมาถึงผู้เจ้าแค่นั้นแหละนะ<ง>ผู้เจ้าตามไปถึงที่เลยน ะ, ะแล้วก็บอกว่าเธ อ, อได้ข่าวว่า <c oughs> เธอลาศิกขาไปแล้วก็บอกว่ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้หมดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรไหนเธอรู้ทั่วถึงอย่างไรลองกล่าวไปสิถ้ากล่าวสมบูรณ์แล้วเราจะอนุโมทนาถ้ากล่าวไม่สมบูรณ์เราจะช่วยเสริมให้สมบูรณ์ให้นะ โอ้โหเจอผู้บัญญัติมาเองพูดไม่ออกเลยนะพิสุรุคนนั้นที่ลาสิกาไปพูดอะไรไม่ออกนะพระพุธเจ้าก็ก็ให้เหตุผลดีนะถ้าถ้าพูดได้สมบูรณ์แล้วท่านก็อนุโมทนาเออแต่พูดดีและนะแต่ถ้าไม่สมบูรณ์เดี๋ยวจะช่วยเติมให้นะอันนี้ก็ไปพูดกันไปเองตามภาษาของคนไม่รู้นะมันเรื่อง เรื่องคำของพระสาสดาก็สำคัญมากก็เลยบอกให้ฟังว่าในข้อมูลที่เก่าที่สุดนี้ก็ยังมีสองส่วนหลักนะเพราะฉะนั้น <c oughs> เวลายอมไปอ่านพระไตรปิฎกก็ตามนะยมจะเห็นว่าหน้าปกเขาจะเขียนว่าพระสูตรและอัตถกถาพระสูตรก็คือคำพระตถาคตอัตถกถาก็คือสาวกภาษิตาที่ถูกแต่งหรือบัญญัติขึ้นใหม่นะัน้นกว่าโยมจะพลิกเปิดเจอคำพระตถาคตก็ นั่งหากันนะอันนี้จึงเป็นความลำบากในการเข้าไปศึกษาเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามรวบรวมคำตถาคตเข้ามาอยู่ในเล่มเดียวนะเหมือนอย่างที่ท่านพุทธาธิ์เคยทำไปแล้วนะในชุดจักรพระโอห้าเล่มอันนั้นนะเพืก็จะทำให้เราศึกษาได้ง่ายได้สะดวกขึ้นเปิดมาแล้วไม่ต้องคอยกังวลว่าใช่คำผู้พุทธหรือเปล่าหรือต้องมาเช็คกันใหม่อะไรอย่างนี้ อันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมาเราจึงทำหนังสือแต่พุทธวจนะนะก็เพื่อเพื่อสนองพุทธประสงค์ของพระตถาคตที่ต้องการให้ศึกษาแต่คำต ถ, ถ, ถาคตนั่นเองนะเดินตามพระองค์ที่พระองค์บอกว่าบอกกับพัทธลิบอกพัทธลิเธอรู้ไหมอ า, อาริบุคคลทั้งหลายเนี่ย แม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเราทั้งหลายจะต้องก้าวตามพระตะถาคตแม้พระองค์จะเดินเหยียบลงไปในหล่มโคลนก็ตามท่านจะก้าวไม่ผิดเราก็ต้องเหยียบตามอย่างนี้ต้องมั่นใจขนาดนั้นว่าพระองค์เป็นผู้เลิศนะอย่างนี้เมื่อก่อนมานี่ก็มีพระมาจากหนองคายนะสองลู ส6บหปันษาและก็ <c oughs> บอกว่าจะมาขออยู่ศึกษากับที่วัดสักพักหนึ่งนะที่หนองคายตอนนี้ตัวท่านเองกับเจ้าวาดก็สนใจพุทธวจนะมากนะท่านมีสถานีวิทยุด้วยท่านก็ส่งพุทธวจนะตลอดออกไปฝั่งเราด้วยนะก็ก็เลยทำให้ได้ทราบว่าการที่เรา เผยแพร่ไ ป, ไปทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยตอนนี้มันเข้าไปกระจายไปเยอะมากนะกระจายไปสู่หมู่พระซึ่งใช้เทคโนโลยีตัวสมัยใหม่เหล่านี้เนี่ยก็หลายวัดเหมือนกันก็ทำให้เขาได้ได้รู้จกักพุทธศานะแล้วเริ่มกลับหันกลับเข้ามาหาคำพระศาสนาตัวเองนะก็จะมาขอหนังสือนี่แค่ 3-4 สี่วันที่ผ่านมาในพระมาจากตั้งชัยภูมิหนองคาย อ้วนหลายจังหวัดมากนะเข้ามาขอหนังสือเข้ามาขอซีดีดังนั้นบางพวกก็เอาฮาร์ดดิสต์มาเลยว่าขอมาเอาข้อมูลไปเราก็จะเตรียมข้อมูลไว้ให้สําหรับพวกที่เอาฮาร์ดดิสต์มาก็เอาถ่ายไปปุ๊บเนี่ยให้มีข้อมูลเท่าๆกับเราเพื่อให้เข้าไปได้ได้ไปศึกษาต่อเผยแพร่ต่อบางวัดก็พาพระมาฝาก <c oughs> อย่างเมื่อเมื่อกลางวันนี้ก็พาพระมาฝากเพื่อให้ศึกษาต่อ พระองค์นี้บอกว่าผมตั้งจิตว <life> ่าผมอยากจะศึกษาคำพรเจ้าแล้วอยากจะหาอุูาจารย์ที่ประกาศคำพระเจ้าบอกแม่ตั้งจิตดีเหลือเกินมาได้ตรงเป๊ะนะก็ก็เลยเล่าให้ฟังนะว่าในหมู่พระเองก็กำลังจะค่อยๆนะเข้าใจมาเรื่อยๆเลยนะ ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าปราช่วยกันสอนพุทธวจนะทั้งหมดนะเราก็จะไม่ไข้เขวและเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเลยชาวพุทธทั่วประเทศก็จะมีอาจารย์องค์เดียวกันคือพุทธเจ้าทุกคนจะพูดภาษาเดียวกันนะพุทธเจ้าใช้ยังไงพุกบเราจะใช้อย่างนั้นข้อมูลผิดๆก็จะค่อยๆลางเลือนไปเพราะจะไม่มีใครยึดถือเอามานะเพราะไม่มีใครไม่มีใครต้องการได้ของปลอมนะทุกคนก็ต้องการความจริง การหลุดพ้นได้จริงการแก้กรรมได้จริงนะ <c oughs> สวยรวยสูงสักจริงนะทำยังไงใช่ไหม <c oughs> อย่างที่ตัดกับพระนางมาิกาต้องไม่เป็นผู้ที่ฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองนะถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเกลืองไม่แสดงความโกรธความขัดเกลืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะต้งเป็นผู้ให ทานคือข้าวน้ำผ้ายานภาณนะระเบียบของหอมเครื่องรูป้ายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพ ร, มนะรมามนั้นมาตุคามนั้นจุติจากอัธภาพทันแล้วกลับมาสู่ในชาติความเป็นมนุษย์ในชาติใดๆเนี่ยก็จะได้เป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามน ะ, ะมีมีพวกสมบัติมากนะอย่างนี้และสูงสักอย่างนี้นั่นนี่คือเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่ง รูปร่างที่สวยงามผิวพรรณงามมีทรัพย์แล้วก็สูงส่งเพราะนั้นใครทราบเหตุปัจจัยจริงๆและเราจะสร้างเหตุปัจจัยนั้นนะเพื่อให้ได้ผลดีตามนั้นได้อย่างไรจริงๆก็ต้องกลับไปหาคําพระศาสดานะก็จะถึงอยากจะแยกข้อมูลตรงกับข้อมูลที่คาดเคลื่อนออกจากกันให้ให้ชัดเจนก่อนให้เราจะได้เลือกเดินได้ ช่วงนี้มีใครสักถามอะไรไมมเชิญได้นะ เ, เชิญเนี่ยกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะ อ, อ, อยากทราบว่ามีมีคำพูดหนึ่งที่พระอาจารย์พูดมาว่า อุเบกขาค่ะการหลุดพ้นจะต้องอุเบกขามีประโยชน์ที่สุดมีโทษอย่างเดียวคือการดับคืออุเบกขาตามที่ความเข้าใจคือการวางเฉยในในสิ่งที่นั้นๆถูกไหมคะแต่การดับเนี่ยมันเป็นอารมณ์ไหนคะไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะเป็นอารมณ์ไหนก็คือขณะ ท, ที่ที่จิตเราอยู่กับอุเบกขาเนี่ยถามว่าอุเบกขาอยู่ได้ทั้งวันไหมไ ม, ไม่ทั้งวันสักพักเด็กเขาเปลี่ยนไปดีใจนั่นแนหะอุเบกขาดับแต่เราไปเพลินกับดีใจไปแล้ว ไม่ได้มามองว่าเอ๊ะเบคามันดับไปแล้วอย่างนี้นั่นคือเราจะไม่เห็นโทษของอุปเบกขาอย่างนี้เพราะเราไปเพลินกับอารมณ์ใหม่แสดงว่าในอุปเบกขานี้ไม่มีการเพลินในอุปเบกขาใช่ไหมคะมีถ้าเราพอใจกับรสอร่อยของมันนะขณะที่อยู่อุปเบกขาเนี่ยช้านานไม่เท่ากันนี่แต่ละคนนะขณะที่ช้านานไม่เท่ากันเนี่ยใครเป็นผู้เฝ้าดู ให้เห็นการเกิดดับหรือใครกำลังเพลินต่อรสอร่อยของของสิ่งนั้นคืออุเบกขาอยู่นะไม่เฝ้าดูให้เห็นเวลามันดับไปปุ๊บเนี่ยไม่ดูว่าอ๋ออุเบกขาดับแล้วแต่เราจะปุ๊บไปติดอารมณ์หม่ทันทีอย่างนี้มไม่ทันมันอือพวกคุณค่ะเชนตรงกลาง สาสิเจ็ดหลา <c oughs> จากหน้าสามสิบเจ็ดตัณหาคือเชื้อของการเกิดหัวข้อที่สิบมีว่าอย่างไรนะวักสุดท้ายที่ว่าสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นเราบอกสัตว์นี้ว่ามีตัณหานั่นแหละเป็นเชือ้อหมายถึงว่าระหว่างที่สัตว์ทอดทิ้งกายไปแล้วเนี่ยค่ะอ ยังหากายอื่นไม่ได้นี่แต่ว่ามีตันหาอยู่ใช่ไหมคะมีแล้วตันห า, าจะลอยลอหรือคะไม่ลอยเพราะว่าขันมีห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและสัตว์คือใครสัตว์คืออีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามายึด ก, กันห้าเมื่อสัตว์ทอดทิ้งกายนี้คือกายนี้คือส่วนเดียวนะรูปยังเหลือ อ, อีกสี่ขัน ที่สัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยเข้ามายึดถืออยู่เพราะฉะนั้นเมื่อกายแต่ทาลายไปถามว่าวิญญาณลอยๆเร้ไม่ลอยวิญญาณก็ยังเกาะเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสามขันธ์นี้ไปเรื่อยๆสร้างภพใหม่ไปเรื่อยๆพอใจพบไหนล่ะเพราะฉะนั้นพอใจสัญญาอันเป็นอกุศลนะก็จะไปสร้างอัตภาพต่อในตรงนี้ที่เป็นอกุศล ซึ่งพระเจ้าบอกว่าเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอับุญก็ดีเวทนาก็เหมือนกันมีทั้งกุศลอ ก, กุศลก็ได้เวทนาตรงไหนก็ไปได้อัตภาพตรงนั้นอย่างนี้อมผมมีโอกาสได้เรียนปจิสมุติบาทและมีโอกาสได้อ่านของอคัมภีร์ฮารเลนพุทธโอสถปจิสมุตบาทที่อธิบายว่าหนึ่งลักษณะทั่วไปสองลักษณะคมสามชาต ลในลักษณะแบบปัจจุบันและลักษณะหนึ่งขนาดจิตถ้าที่ผมอ่ามีรับศึกษาดูผลว่าตามพฤฤุทธวจนะอธิบายแค่แลักษณะหนึ่งขนาดจิตอย่างเดียวมิทราว่าตรงนี้ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับ อ, อ๋อถูกแต่ถูกไม่หมดนะเพราะว่าถ้ายังไปดูที่ที่พระองค์ตัดเนี่ยนะพระองค์จะตัดอนธะิบายเรื่องข้ามข้ามภพด้วย ทีนี้คำว่าข้ามภพของเราเนี่ยคือเรามองอะไรเรามองแค่รูปประคันมันแตกดับไงจริงๆตรงนี้ก็เป็นภพตรงนี้ก็เป็นภพตรงนี้ก็เป็นภพดังนั้นยังดูว่าสุดที่เราคิดถึงสิ่งใดดำหลีถึงสิ่งใดนั่นคือภพเห็นไหมเพราะฉะนั้นขณะวิญญาณไปตั้งอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารเป็นภพหมดเลยกลับมาตั้งกับรูปก็ยังเป็นภพเห็นไหมแต่เรามองการข้ามภพข้ามชาเนี่ยแค่รูปประคัแตกทําลาย แต่จริงๆพบเกิดตลอดเลยเรานั่งอยู่ตรงนี้พบชาชลาเมานะก็เกิดตลอดเพราะเราคิดดำริถึงสิ่งใดเรามีจิตฝังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับพบชาชลามานะแต่รูป ก, กายยังไม่แตกทําลายนะเราจรึงมองว่า อ, อ๋อปฏิจจ์เป็นแค่ตรงนี้ <c oughs> แต่จริงๆเมื่อกายแตกทําลายปุ๊บปฏิจจ์ก็ยังทํางานอยู่แต่ทํางานในานมามธรรมเพราะให้รูปมันพังไปแล้วนะ และจากนามธรรมก็จะไปสร้างรูปใหม่ถ้ายัางปล่อยวางรูปไม่ได้ซึ่งจะไปดูในพุทธวจนะที่พระ อ, องค์ตัดกับพระนนท์ <c oughs> บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหนตภาพที่เป็นสัตว์เข้ามาสู่ในิคันบอกว่ า, าถ้าวิ ญ, ญญาณเนี่ยไม่กล้าลงสู่คำมันดาแล้วไซานามรูปนั้นจับกลุ่มตัวต่อได้หรือไม่พระนนท์บอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถรกต้องเห็นไหมนั้น นี่จากการที่มันทอดทิ้งกายมาแล้วมันก็เริ่มแสวงหากายใหม่เริ่มเข้าสู่คันบรรดาอันใหม่ต่อไปเนี่ยทน่นี้ถ้าไม่ลงสู่คันบรรดาคันนั้นไม่มีวิญญาณกรองก็จะแตกําลายไปแทงไปอะไรไปลําดับที่2ถ้าวิญญาณนั้นก้าวลงสู่คันบรรดาแล้วไซเนี่ยจากแตกสลายลงนามรุ่งจะปรุงตัวต่อได้ไหมป้าหนุนก็บอกไม่ได้พุทธเจ้าบอกใช่ นั้นถ้าเกิดเข้าพอใจคันมันดาตรงนี้แต่เขาเกิดเปลี่ยนใจแตกสลายอีกไม่เอานามรูปก็จะตายคันมันดาก็จะตายแทงอันดับที่ส <c oughs> ถ้าวิญญาณเนี่ยก้าวลงสู่คามันดาจนเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วเนี่ยจากแตกสลายลงอีกนามรูปจะพุ่งตัวต่อได้ไหมป้ามันก็บอกไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องเห็นไห นั่นนี่คือลักษณะของการที่เรามองว่าข้ามภพละนะข้ามภพเพราะการที่เรามองข้ามภพที่มักจะเขียนกันในหนังสือต่างๆเรามองแค่ด้านรูปอันเดียวซึ่งจริงๆภพมันคือตัวสี่ธาตุที่พระเจ้าเปรียบเหมือนภพคือผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะเพราะฉะนั้นภพก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่คือภพนะ ซึ่งเป็นที่รองรับการตั้งของวิญญาณคือมเมล็ดพืชที่ตกลงไปในผืนนาเรียกว่ามีพบแล้วและถ้าเราเพลินกับพบคือชาติก็คือการงอกของมเมล็ดพืชขึ้นมานะเพราะนั้นมเมล็ดพืชงอกด้วยความเพลินเปรบเหมือนน้ำที่ลบเมล็ดพืชไปพืชจะงอกขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้ชัดเจนมากนะเพราะนั้นถูกทั้งปัจจุบันและในสัมปรายะทั้งคู่นะ เป็นอย่างนี้เข้าใจนะมีประเด็นอื่นไหม อ, อาการจิต8ปขั้วอาการฮะถึงนั้นซึ่งความเป็นจิตใหญ่ มันก็จะมีหลายระดับนะเพราะฉะนั้นจิตถึงนัซึ่งความเป็นจิตใหญ่ธรรมะปฐมชาญตติยชานตตยชานเจติตชานเนี่ยในแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนจิตปกติดังนั้นเพราะจิตปกติของโยมเนี่ยคือจะคิดกุศลอกุศลใช่ไหมจีปาถาแต่พอปฐมชาญปั๊บเนี่ยอกุศลจะหมดไปละซึ่งพระเจ้าจะเรียกว่าอะไร อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสันทิฏฐิกนิพพานนิพพานที่เห็นได้เองในปัจจุบันมันขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแล้วมันถึงว่ามันจิตใจมันมีหลายระดับหลายระดับหลายระดับสันทิฏฐิกนิพพานจริงใช้เรียกตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสารานใจไล่ไปจนถึงสัญญาเวทินนุลไล่ไปจนถึงนิพพานนะเรียกว่าสันทิฏฐิกนิพพานได้หมด ซึ่งมีคำเรียกที่เหมือนกันห้าคำคือสันติติกนิพานสันติติฆธรรมทิฏฐธรรมนิพานตตังคณิพานตตังคณิพุโตตัดเหมือนกันหมดเลยตัดไว้กับพระ่านนวลอธิบายเหมือนกันเป๊ะตั้งแต่ปฐมฌานถึงวิมุติเลยถึงนิพานเลยนะถึงสัญญาเวที่นิมุแล้วก็ถึงนิพานเป็นอย่างนี้นะนี่คือลักษณะถึงความเป็นจิตใหญ่นะขึ้นไปเรื่อยแต่ละระดับอย่างนี้ เนะขอการพระอาจารย์นะครับคืออันนี้สงของทานเนี่ยเมื่อกี้พระอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องจาก้าอยู่ก็เลยวูออยาอันนั้นของสูงสุดเนี่ยเคยได้ยินว่ารู้สึกใการปฏิบัติแต่อ่านในพระสูตรมันกัว่าวว่าแผ่เมตตาเจ็ดช่วงสุดลมอของหอมก็เลยอยากจะให้ พระอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยคอับเรื่องของทานหรือเรื่องแผ่มิตะเอวลาสุดที่เรนบอกว่าพอสุดสุดเนี่ยเอสมาทานสีเนี่ยยังสู้การแผ่นสมาธิเครื่สุงของเราไม่ได้ก็อย่าพระอาจารย์ขยายตรงนี้นิดหนึ่งครับในเรื่องของทานมันก็มี ก็มีหลาย ม, ม, มุมอีกเหมือนกันในเรื่องของทานเป็นธรรมที่ถ้าบวกเข้ากับโสตาประเดียนขั้วแล้วอันนั้นคือโสดาบันที่ตัดไว้กับช่างไม้นั้นศิลห้าบวกโสตาประเียงขัา4เป็นโสดบันทานบวกกับโสตาปรเยงั้สเป็นโสดาบันนี่ส่วนเมตตาเนี่ย สูดดมของหอมหรือช่วลับนิ้มือก็มีคุณประโยชน์มากเหมือนกันเพียงแต่ต้องรู้ว่าเมตตากรุณาเบญจังเบญข า, าเนี่ยล้วนเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งต้องเอาหลักศีลเข้าไปจับให้เห็นการเกิดขึ้นและการดับไปเแล้วจะมีอีกพิสูจน์หนึ่งที่ตามที่เราทราบว่าวิธีในการหลุดพ้นจากการเจริญเมตตานั้นจะต้องทําอย่างไรเพราะฉะนั้น ย่ลงดูว่าพระองค์ก็บอกว่าการเจริญอนาปามะช่วยแล้วมือก็สุดยอดเหมือนกันเมตตาก็ช่วยแล้วมือก็สุดยอดแต่หรือพรนหรือยางย่างต้องมีขั้นตอนไปมีขั้นตอนก็คือต้องเอาอริสัตถ์เข้าไปจับแม้เจริญอนาปามะก็ต้องเห็นการเกิดดับของลมหรือการเกิดดับของจิตผู้รู้ลมที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันรวมบอกเมตตาเน่ย เกลนาวิตาเบคาก็ม้่นเป็นทำเครื่องปรุงแต่งนะต้องเห็นว่ามีการเกิดขึ้นและการดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ถึงจะเข้าสูขข่การหลุดพ้นนั้นจะเลิกจากอเลสสัสสีไม่ได้เลยทุกธรรมะทั้งหมดต้องเอาอเลสสัสสีเข้าไปจับนะการเกิดและการดับซึ่งการเกิดและการดับนั่นก็คือตัวยานวัตถุสี่สหรือยานวัตถุเจบเจดคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันนั่นเองเห็นสมุไทยกับนิโรธเกิดดับนะออื ขอถือกาศนี้ก็คือได้ยินว่าที่วัดนาตอนนี้ uh huh. มีการทำมหาทานก็คือว่ า, oh. าขยายที่ดินแล้วก็ uh huh. สร้างว uh ิห huh. ารอะไรอย uh huh. ่เก็เผื่อว่าไ ด, ได้ได้ตำทานกับพระสุภทุปพระสุภัโนยอย่างท่านอาจารย์ oh. ก็ได้ทั้งในวิทยาแล้วก็ทั้งเกี่ยวกับพระพุทธวจนะเนี่ย uh huh. ก็ ผมก็ยินดีที่จะได้ร่วมบุญกับบุญใครั้งนี้ด้วยได้นี้แล้วแล้วแต่แต่บุคคลนะนี้ก็ให้ทางมูลนิธิพุทธกุศเขาช่วยจัดการรวบรวมนะอย่างนี้หรือใครจะทำที่วัดก็ได้นะอันนี้ก็เร า, เ, าเราเผื่อไว้ในเรื่องของการที่พระกกำลังเข้ามาศึกษาเรื่อยๆและอาตมาก็จะได้มีที่ให้ ให้พระได้อยู่กว้างกวางขึ้นแล้วก็ได้มีที่สำหรับฝึกพระทีเป็นร้อยรรูปปุ๊บเดียวออกไปนะห้0 0้0รปุ๊บออกไปคอร์สหนึ่งคอร์สหนึ่งเนี่ยพระพวกนี้จะไปช่วยจะเป็นพระที่มีความรู้ในพุทธศาสนละและช่วยเผยแพร่ต่อไปในจังหวัดของท่านท่านจะได้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปนะซึ่งเราฝึกมา สามสี่รุ่นแล้วเนี่ยก็พระก็ชอบกันมากนะพูกที่เคยถืออะไรผิดๆก็ละเลิกก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ตอนเข้ามาครั้งแรกกับตอนสิบวันหลังจากนั้นที่ออกไปพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะนี่ก็ก็เลยจัดโครงการตรงนี้ด้วยนะเพื่อประกาศคําคตถฐาโคนั่นเองนะโดยหลักเพราะที่พระองค์บอกนะ บุคคลที่หาได้ยากในโลก3พวกนอัอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศคําตถาคตผู้มีความกตัญญูกตเวทีนี่พระสูตรหนึ่งรัตนาพวกเราช่วยกันประกาศคําตถาคตเราจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะั่นและอีกพระสูตรหนึ่งคือรัตนาหแก้ห5ประการที่หาได้ยากหนะ ar, ึ่อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2ผู้ที่ประกาศคําตถาคต สผู้ท mm ี่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำในคําตถาคตประกาศแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำด้วยข้อที่สี่ผู้ที่รู้แจ้งในธรรมของตถาคตและ5ผู้มีความกตันยูกตาเวทีนั้นสองข้อสูตรนี้ซ้ํากันสามข้อก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ประกาศคําตถาคตแล้วก็ผู้มีความกตันยูกตาเวทีมีที่ซ้ํากันสมข้อนะก็ด้วยพระสูตรเหล่านี้เราก็มา พยายามสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้ให้สิ่งเหล่านี้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับผมก็ได้ยินว่าธรรมะที่พุทธองค์เคยให้บอก ว, ว่าที่าําการมากก็คือความไม่ประมาททำให้ผมนึกถึงมันมีบิวโสูตรหนึ่งที่มีนางฟ้าที่เป็นบาจาริกาขอ ง, ของเทพพระุทธองหนึ่งที่หน้าที่เหมือนกับเก็บเก็บดอกไม้หรืออะไรนี่แล้ปรากฏว่าเส่บุญแล้ ว, วลต้องจุติ จุติมาก็เป็นอุปถาในในพุทธศาสนาอืออุปถาพระทเจ้าแล้วก็ภาษาวกอุปถาไปจนจนอายุครบประมาณหนึ่งร้อปีวันที่มาอุปถาตอนเช้าพอตอนเย็นก็มาเห็นสาวกข้างหลายก็ถามว่าอา้าวเธอเป็นไหนแล้วเสียแล้วล่ะคนที่บ้านก็บอกว่าเธอสิ่งใจแล้วก็คือเธอทําการ์าไปแล้วปรากฏ ว, ว่าเธอก็ตั้งความปรารถนาจะกลับไปอยู่กับเทพบูที่เธอเคยเป็นบาทธริกาพอกลับไปเทพูก็ถามออื เธอเป็นไห่มานีฉันไม่เห็นเธอทั้งเธอเกิดทั้งวันนางฟ้าเขาบอกว่าเค่าไถ่มาดิฉันได้เปจุติบนโลกมนุษย์เธอไปเหรอโลกมนุษย์แล้วเป็นยังไงอืบอกว่ามนุษย์เอมันก็อยู่ในศีลธรรมหรืออะไรดีไบอกก็บอกมั้นนีประมารอยู่มากเลยมีอายุอยู่เพียงประมาณร้อปีนั้นแต่ว่าอยู่กันเป็นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นเป็นเป็นกดโกรปีอะไรเงี้นนี่ยมีความประมารไม่ไม่ทำไม่อยู่ในศีลไม่ไม่ดันเป็นบุญอืแต่ว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่า ก็คือพระสูเ <huh> นี uh ่ยทำให้รู้เทพเทวุตก็บอกว่ามันเรืมองนี้น่าสงสารนะคือตั้งอยู่ความประมาทในยุคก็พิงสั้นนิดเดียวคือในพระสูตนี่จะบอกเลยว่าเวลาของที่ชั้นดาวเดินเนี่ยหนึ่งวันก็คือโลกนนหนึ่งร้ปีชั้นเห็นเธอหนึ่งวันนี่เธอไปอยู่นั่นร้อยปีแล้วเธอกลับมาล้วแต่ก็ยังตั้งอยู่ความประมาทไม่รีบที่จะหาทางให้หยุดนี่พระสูตนี้ฟังแล้วก็เป็นได้ได้ได้รู้เรื่องเวลาแล้ก็รู้ว่ามันเรื่องนี้ตั้งมาอยู่เสมอครับออื แสดงวสนใจอ่านพระสูตรนิยมนะไม่เ ค, เคยเห็นหน้าเลยแต่แสดงว่าติดตามผวิถีเซนให้ยูมแต่ผมเห็นหน้าพระอาจารย์ทุกวันเลยอาจารย์ทางเวทไซต์อาจารย์ไม่เคยเห็นหน้าครับแต่ก็เห็นหน้าตามาทุกคน <laughs> เน ก, น, นการบ้านการเรื่องสาวที่แรกก็มีมีรุ่นน้องมาจากทางใต้ไปอยู่ที่ ปรตตานีก็อยู่ในดงกระสุนดงระเบิดในกระดูอัลมาทางเว็บไซต์ทุกวันนะรายการก็ให้พยะเต็มความอ น, นิดเรกเลยขนาดอยู่ท่ า, กามกลางดงกรสุนมาข อ, ข อ, ขอเกลี่ยงเลยครับตอนนีนะถ้าเราถ้าเราชัดเจนในคำพระศาสดาเราก็จะมาฝึกกายวาจาให้ดีไงเขาก็จะนั่งสมาธิภาวนานานะ เ, เป็นผู้บังคับชุดอยู่ อย่างนี้ก็เปลี่ยนคนได้เยอะเนาะคำพระาศาสดาสั <c oughs> <c oughs> ่งตั้นเชนเช่นกันหน้าขอการพระอาจารย์ค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงสัตว์นะคะ <c oughs> ที่บอกว่าที่เป็นสิ่งที่ติดในขันห้าในย่าท์หนึ่งและอีกใย่าทหนึ่งก็คื อ, อผู้ที่เป็นวิมุตติญาณทัศนะใช่ไหมคะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าให้เราเนี่ยกลับไปสู่สภ า, าวะเดิมของเราคือวิมุตติญาณทัศนะซึ่งก็คือพาณิพานทีนี้ก็เลย น, นิดนึงว่าคือพาณิพานจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นสภาวะที่ไม่มีการเกิดการตายแล้วทำไมเราถึงยังเวียนว่ายกลับมาอีกค่ะเรถึงตรงนั้นไปแล้วค่ะคือ สัตว์เนี่ยมันเป็นชื่อเรียกสําหรับสภาวะสมมติว่าเรียกตามพระเจ้าที่พระองค์เคยเรียกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเพราะนั้นมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาลงขันธ์หน้าขณะแห่งการเข้ามาลงขันธ์ห้าจะถูกสมมุติเรียกมันว่าสัตว์มันจะถูกสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยจะถูกเรียกว่าสัตว์เพราะสัตว์คือผู้ที่ติดต้องในขันธ์หน้าซึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับของมัน นั้นเมื่อเมื่อขณะที่มันมีความหลงเข้ามาปั๊บเนี่ยแล้วมันฝึกมรค8ดคือกลายเป็นรรปสัตว์ผู้ได้สดับในธรรมนะของพระาศาสดาแล้วฝึกฝนตนเองจนกระทั่งวิชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่มันเข้ามายึดติดอุปทานก็จะหมดไปเมื่ออุปทานหมดไปก็คือมันจะตั้งมั่นอยู่ในสภาวะเดิมของมันเอง ซึ่งตัวทั้งนี้ตรงนี้เรียกวิมุติยานทศนะซึ่งในสภาวะนี้เนี่ยวิมุติยานทศนะจะตั้งอาศัยในวิมุตต์นะมีการตั้งอาศัยเหมือนกันที่พระศาสนาบอกว่าวิมุติยานทศนะก็เป็นธรรมชาติที่มีที่ตั้งอาศัยหเป็นธรรมที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ตั้งอาศัยในไร่ล้วก็คือตั้งอาศัยในวิมุตต์นะเพราะฉะนั้นในวัฏิภาเนี่ยจะมี2 อ, ส, อสภาวะที่ละเอียดเท่ากันคือวิมุตติกับวิมุติยานทศนะโดยวิมุติยานทศนะจะตั้งอาศัยในวิมุตต นะส่วนฝังสังฆะธรรมเนี่ยจะมีห้าธรรมชาติซึ่งมีความละเอียดไม่เท่ากันโดยธรรมชาติหนึ่งคือวิญญาณจะต้องอาศัยในอีกสี่ธาตุนะนั้นทั้งสองฝั่งมีการตั้งอาศัยทั้งคู่แต่ฝั่งหนึ่งความละเอียดต่างกันและเกิดดับฝั่งนี้ความละเอียดเท่ากันและไม่เกิดไม่ดับเกิดไม่ปรากฏสื่อไม่ปรากฏไม่ต้งอยู่ไม่มีพลังอื่นปรากฏนี่คือคุณสมบัติของฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงแค่การเรียก ชื่อของสิ่งสิ่งหนึ่งที่หลุดเข้ามาในสังสารวัตและกลับออกไปไม่ได้จะถูกเรียกว่าสัตว์ก็เลยเกิดตายเกิดตายเกิดตายไปกับขันธ้าตัวมันนไม่เกิดตายหรอกเพราะฉะนั้นมันจึงผู้ที่เล่นจึงเป็นผู้ที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรได้ถ้ามันเกิดตายมันก็จะต้องแล่นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาพูดว่าวิญญาณเปลี่ยนว่าตายเกิดผู้เจ้าจะบอกว่าผิดเพราะวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณมนุษยเรื่องอะไรวิญญาณเกิดดับเกิดดับของมันตลอดเวลาไง แต่คนท่องเที่ยวไปเนี่ยคือตัวนี้ตัวนี้แหละตัวสัตว์เนี่ยนะที่เล่งไปท่องเที่ยวไปแต่มันคือความว่างจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนมันคือมันคือความว่างที่แท้อยู่ในทุกอนูของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุตัวความว่างมีกว้างใหญ่ที่สุดเพราะทุกอนูมีความว่างหมดองเนี้ยแต่ทีนี้ที่เราเห็นมันว่างไม่จริงไงอย่างว่าเราว่าอากาศว่างแต่มันว่างไม่จริงเพราะ มองไปในอากาศยังมีโมเลกุลมีอะไรต่ออะไรเพะเราเจะไปในโมเลกุลว่างไม่จริงนะมีอะตอมมีเล็กตอนเจาะลงไปไม่จริงอีแล้วมีออนุภาคเล็กๆลงไปอีกที่ป้าทะกว่าจะเจาะลงไปถึงความว่างจริงๆที่แท้จริงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างตั้ ง, ง, งอยู่ภายใต้ความว่างหมดเลยความว่างจึงเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ทั่วโลกกับาตุนั้นตัวนี้ เวลาไปสู่พบใดก็ตามเหียดแขนกู้แขนไม่ต้องใช้เวลามากนะเพราะมันอยู่ทุกอ น, นุมันจะไปไหนก็ได้นะทุกจุดทุกอ น, นูเป็นความรู้ทั้งสิ้นเป็นผู้รู้ทั้งสิ้นจึงเรียกว่าวิมุติอนทศนะอย่างเนี้ยนั่นแหละคือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนนั่นเองอย่างนี้่ ก, ก็ขออีกหนึ่งคำถามค่ะพอดออีดูรายการเนื้อะคะ่ะ <c oughs> ชื่อคนอวดผีค่ะพะดีเขาก็ เ, าเป็นเคสของลอตต็อกนะคะแล้วเขาสร้างหุ่นขึ้นมาแล้วก็เอาผ้ <laughs> า, าที่เหลือนะคะไปฝังอยู่ในหุ่นแล้วก็ปรากฏว่าวิ ญ, ญญาณอยู่ในนั้นเนี่ยสิบปีอันนี้คำถามก็เลยเกิดว่าเออเราเรามีสิทธิ์เลือกที่จะยึดติดกับอะไรบางอย่างนี้ <laughs> เป็นเวลานานขนาดนี้ได้โดยไม่ไปไปตามกรรมเหรอคะก็นั่นแหละคะือกรรมกรรมคือการกระทาของของตัวนั้นเอง ที่เลือกแล้วพอใจนั่นเองพอใจที่จะยึดติดอยู่ตรงนั้นนั่นนั่นคือหมายถึงการที่ที่พุทเจ้าตรัสว่าเธอมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นั้อเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเราหวงที่ดินเราหวงทรัพย์สมบัติมันก็ไปตั้งอาศัยตรงนั้นได้จะไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกบ้างเป็น เทวดาชั้นต่าเฝ้าอยู่บ้างอะไรจิป้าถาสรารพัดแล ะ, ะแต่ำนะฮะเพราะว่ากรรมที่ได้ดต่ภาพเนี่ยมันจะประกอบด้วยสองส่วนส่วนของที่พระเจ้าดอมนำพิณา ด, ดูดีๆนะพระเจ้าตัด บ, บิน ญ, ญ, ญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชและกรรมเปรียบเหมือนผืนนาอ่าอันนี้อีกภาษาหนึ่งแล้วนะเตินกรรมเปรียบเหมือนพอ น, นี้จะกรรมเปียบเหมือนผืนนาวิน ญ, ญ, ญาณคือเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนา มันจะโตขึ้นมาเนี่ยมันอาศัยสองส่วนคือ1นึ่ยางในพืชผู้เจ้าบอกอยางในพืช น, นั่นคือผ่าพันธุ์เดิมของมันอนุสัยเดมิมและส่วนที่สองคือมันดูดซึมแร่ธาตุจากผืว น, นาตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นการโตขึ้นของต้นพืชประกอบด้วยหนึ่งยางในพืชกับ2ผืวนานี้ <c oughs> ซึ่งผืว น, นาผู้เจ้าตัดอีกข้สูตรหนึ่งจะเป็นผืว น, นาสามระดับนะผืว น, นาดีนาปานกลางนาเลว อีกภาษาหนึ่งจะบอกผิวหน้าดีคือไรปานกลางคือไรนาเรีวคือไรผิวหน้าดีคือพวกอัลลูปอัลลูบประพบผิหน้าปานกลางคือรูปประพบผิหน้าเรวคือการประพบที่พวกเราได้เนี่ยดินน้ำไฟลมเนี่ยผิวหน้าเรีวยวนะไม่ดีนะแหมนั่นเห็นไหมคาพระเจ้าจะลิงกันหมดเลยปั๊บปัปเรายิ่งรู้ภาษาหนึ่เรายิ่ ง, งโอ้โหคาพรเจ้านี่สุดยอดนี่แค่อุปมายังเปลี่ยนไม่ได้นะพั๊บเปลี่ยนปุ๊บ มันจะไม่ไปเปลิงกับอีกสามอุ ป, ปมาซึ่งว่าอุ ป, ปมาเหมือนกันอย่างนี้นะนั้นคำพู้ธญาณจึงสำคัญมากก็ปิดเพียงไม่ไ ด, ด, เไได้เปลี่ยนนิดเดียวก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอืมที่จะหเห็นนะเจ้าคเมื่อกี้ข้างหลังคกเนะึะยกมือมีป่ะหน้าสามสิบสี่เหรอ หน้าไหนนะคะหน้าสาบสี่นะคะสามสี่ว่าอย่างไงนะเมื่อมีอารมณ์อยู่นะมีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณใช่เมื่ออารมณ์มีอยู่ใช่อารมณ์เป็นที่เป็นที่ตั้งญาณก็ในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าสังขารนี่สังขารปัจจยะนะคะคือสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณใช่แล้วก็อารมณ์เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้วิญญาณตั้งอยู่ใช่ แสดงว่าสังอารมณ์เนี่ยนะคะเป็นผลของสังขารสังขารตัวนี้คือรูปนามทําให้เกิดวิญญาณและอารมณ์ตัวทำให้วิญญาณนี้ตั้งอยู่ถูกตั้งแล้วก็ถ้าดับอารมณ์ตรงนี้ได้ก็จะดับวิญญาณได้ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นในสภาพของโลกปัจจุบันทึ่งเป็นทุนนิยมเนี่ยนะคะจะดับตรงไหนง่ายกว่าในปฏิจจสมุปบาทที่เป็นสายดับเนี่ยคะ จะดับเปงนไหนง่ายอยู่ <นำ S 1> ที่อิทนทรีย์แต่ละค น, นแต่ละคนอินทรีย์บารมีไม่เท่ากันบางคนจะให้เขาไปดับที่ผัสสะเขามองไม่ทันหรอกสติเขาไม่ทันแต่ให้เขาดับที่ความอยากเขาเออทันทันพอเกิดความอยากแล้วเขาดับได้หรือบางคนไม่ทันอีกยึดแล้วยึดแล้วถึงจะดับได้น่ะเห็นโทษล้ยึดแก้วในใบนี้มาตั้งนานพอแก้วแตกเพิ่งจะรู้โอ้ฉันยึดเนี่ยทุกข์มากเลยใช่ไหม ถึงจะวางนั้นแต่ละคนอินทรีย์ไม่เท่ากันจริงวางได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นปฏิจจในแต่ละขั้นตอนพระเจ้าจึงอธิบายไว้ว่าว า, วางขั้นตอนไหนก็ได้ถ้าเห็นปฏิจจในแต่ละขั้นโดยนัยะอริอสัตย ส, สีคือเห็นการเกิดการดับของมันหลุดพ้นได้หมดเข้าใจ ไ, ไมเพราะนั้นตรงไหนก็ได้ขอให้โยมทานทรัพย์ที่หนึงนนะ่งอ่ะนี่ ตรงสังขารอารมณ์นี้ก็จะเป็นผลของสังขารการตกแต่งให้เกิดเป็นอารมณ์ทำให้วิญญาณนั้นตั้งอยู่อารมณ์เนี่ยตรงนี้ยังต้องเข้าใจว่าสังขารตรงนี้คือตัวนามรูปนะสังขารตรงนี้คือตัวนามรูปยังต้องไปควบกับอีกปฏิจจสย์สายหนึ่งซึ่งสุดพระองค์ตัดสุดแค่วิญ ญ, ญาณกับนามรูปไม่ต่อไปถึงสังขารกับวิญญาณแล้วยมเอามาสวนทับกันปับ๊บนะยมจะรู้เลยว่า ผู้เจ้าเปลี่ยนคำว่าวนามรูปตรงนี้ก่อนจะไปถึงอวิชชาเปลี่ยนเป็นสังขารเพื่อให้ต่อไปถึงสังขารทั้งหลายและอวิชชานะเนี่ยถ้ายมมีโอกาสดูตรงนี้นิดนึงปฏิจจะแบนี้คือบา ท, ที่สุดแค่วิญญาณกับ น, นามรูปและนามรูปตรงนี้เดี๋ยวยมดูนะเอาปฏิจจตรงนี้ไปสวนไปอันนามรูปตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสังขารดูปับ๊บเห็นนะอ่าเปลี่ยนเป็นสังขารลว เพื่อขยบขึ้นไปอธิบายต่อว่าสังขารทั้งหลายคือทั้งรุญญาและนามรูปมีเพราะไม่รู้ทั้งระบบเนี่ยมีเพราะไม่รู้นะเพราะฉะนั้นจริงๆสังขารตัวนี้คือตัวนามรูปนั่นเองและนามรูปตัวนี้ก็คือสี่ท่านั่นเองคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร น, นั่นเอง4ตัวนี้ และสตัวนี้จึงเป็นอารมณ์ของจิตที่พุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปสร้างเสรเห็นไหมวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ต้องอยู่ได้มีเป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์นี่ดูพระสูตรนี้ได้นะอ่าสัญญาสังขารเป็นอารมณ์เอันนั้นทั้งสี่อันนี้เป็นอารมณ์ของจิตทั้งสิ้นเนี่ย วิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ต้องอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์เห็นไนหะมคำว่าอารมณ์ของโยมคืออะไรไม่ใช่อารมณ์โกรธโลบกรหลงอะไรแค่นี้นะอารมณ์คือตัวธาตุที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยเลยละ่ะเข้าใจไห ม, มอ่าอย่างนี้มันมีความลึกของมันในแต่ละคำใช่ใช่ใชนะอือ มีประเด็นอื่นไหมใกล้หมดเวลาแล้วถ้ารูปเอออืมอือ <c oughs> เกาะอยู่กับจิตวัตยที่เขาทำอย่างตรงงานเนี่ยเขาจะเรียนอยู่ตรงงานหรือเปล่าคะอยู่ที่อยู่ที่ว่าเขาฝ<ส>ึกละความเพลินหรือเปล่าล่ะเขาฝึกละความเพลินในอารมณ์ในนามธรรมสาตัวไหมแล้วจิตมาเกาะกับรูปกายเพั้นถ้าเขารู้หลักการเนี่ยเมื่อรูปกายแต่ทําลายปุ๊บปัญ ญ, ญาจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้หาการเกิดต่อไปไม่ได้จะหลุดพ้นทันที พระองค์จึงให้เราจิตมาตั้งอยู่กายแต่ทถ้าเขาไม่ได้รู้เหตุผลนั่นคือเขาก็ยังเพลินอยู่กับ น, นมามธรรมอีกสามตัวอยู่เลยเลยแม้จิตจะอยู่กายก็ตามแต่ยังไปวิ่งเกาะไม่มีการละความเพลินเพราะฉะนั้นเมื่อกายแตกทําลายปุ๊บมันก็ไปวิ่งเกาะสร้างสารภาพใหม่ในนมามธรรมใหม่ต่อไปคือถ้าไม่ได้ฝึก <c oughs> ก็คือจ็เกาะอยู่ใช่จะมีการสร้างการเกิดต่อไปทันที ก็อ่าอ่ะสุดใ้สุดจเจนอ่ะเดรามัขอถามพระอาจารย์คำถามหนึ่งค่ะก็คือถ้าเราคงอารมณ์ความเป็นอุเบกขาโดยที่ไม่ให้ดับได้นั่นคือสภาวะของนิพพานแล้ว ถ, ถูกไหมคะ ถ้าเราคงอารมณ์อุเบกขาโดยที่ไม่ให้มันดับได้เพราะว่าพระอาจารย์บอกว่ามันไม่มีอะไรจนกว่ามันจะดับใช่ไหมคะแต่ถ้าเราคงความเป็นอุเบกขาไว้ไม่ให้มันดับนั่นคืออารมณ์ของพานิพานแล้วใช่ไหมคะไม่ก็ยังไม่ใช่เพราะว่าอุเบกขาไม่ใช่นิพานนะนะเพียงแต่เป็นอารมณ์ที่พร้อมจะเข้าถึงนิพานนะแต่ตัวมันไม่ใช่นิพานนะต้องเห็นโทษของมันเนี่ย นะต้องปล่อยวางมันอีกทีถึงจะเข้านิพพานได้เพราะขณะที่อยู่เบขายังมีวิ ญ, ญญาณเข้าไปรู้อุเบคาเราะนั้นวิ ญ, ญญาณเป็นวิ ญ, ญญาณที่ประกอบด้วยอวิชาคือสัตว์ผู้มีอวิช า, ายังเข้าไปหลงวิ ญ, ญญาณอยู่แล้วจะหลุดพ้นได้ยังไงเดี๋ยวมันก็วิ่งไปเกาะอารมณ์อื่นต่ออยู่ดีนะต้องเห็นโทษของอุเบขานะไม่เห็นโทษอุเบขาแล้วเนี่ยยอมอยู่กับตรงนี้แล้วไม่ไปเกาะที่อื่น การเกิดใหม่จะไม่มีถ้ายมเกาะอยู่ตรงนี้ได้จริงๆเมื่เกาะตรงนี้ได้จริงๆปุ๊บเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยวิญญาณก็จะหลุดพ้นหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ไม่กายแต่ทําลายอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวไว้นะพราะในที่สุด เ, เมื่ออารมณ์เดียวนี้ดับเพราะในที่สุดจิตมันต้องดับเพราะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนยังไงอุเบกขาก็ต้องดับ นะเพราะจิตที่เข้าไปดูอุเบกขามันจะดับจิตไม่ไดเป็นเป็นสิ่งถาวรนี่มีการเกิดดับนั้นนะเวลาหนึ่งจิตมันจะดับเมื่อจิตดับอุเบกขาก็ดับเมื่อนั้นแหละจะเกิดการหลุดพ้นนะถ้าเราไม่สร้างการเกิดในอารมณ์อื่นทั้งหมดแล้วอยู่นิ่งๆตรงนี้อันเดียวอย่างนี้นะวิ ญ, ญญาณจะปรุงแต่งอะไรไม่ได้ซึ่งพระเ จ, าจา้าอธิบายตรงนี้ด้วยพวงเองทีลาลำดับเลยบอกว่า สร้างการเกิดปุ๊บเนี่ยพอตรงนี้แตกทําลายผู้เนี่ยจิตก็จะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเมื่อยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั้นต้องสร้างอารมันเดียวให้ได้อย่างนี้แล้วเมื่อเมื่อสร้างอามันเดียวได้จริงๆนั่นคือโยมสามารถทําให้ยินญาณเนี่ยไม่ไปสร้างอีกสามขันได้เมื่อไม่ไปสร้างได้จริง และในที่สุดเมยมตายพอดีนะเมะยมแตกทําลายปุ๊บวิ ญ, ญญาณที่เกาะตัวนี้อยู่ในที่สุดวิญญาณมันจะดับณขณะจิตหนึ่งดับปุ๊บไปของมันเองเพราะวิญญาณมันเกิดดับตลอดเวลามันไม่รู้เรื่องอะไรพอวิญญาณดับปั๊บการสร้างวิญญาณดวงใหม่ก็ไม่มีเยมจะไปวิ ญ, ญญาณจะไปเกาะอันใหม่เยมมาทิ้งมาทั้งชีวิตแล้วมันก็เราไม่มีการสร้างพบใหม่ต่อไปไงเข้าใจไหม ดับแล้วก็คือมันจะดับเลยเพราะฉะนั้นใครใครที่ตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติหรือตั้งไั้ซึ่งเบกขานั่นก็คือกําลังน้มเอียงลาดเอียงเทียงไปสู่นิพันกําลังได้สู่นิพาน์แล้วอย่างนี้ขอให้ตั้งอยู่กับลมันเดียวแล้วกันอืมอก็สําหรับคืนนี้ก็คงจะพอเพงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มา สังสมสุตตะในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านะได้สาธยาย ร, รมปฏิจจสุบานซึ่งเป็นบทธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้ได้ทำสมาธิซึ่งแม้จะมีเวลาน้อยชั่วลัด ม, มือมือก็มีคุณค่าชื่อว่าทำตามโอวาทของพระศาสดาและได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้มา <c oughs> <c oughs> ปฏิบุตฉชาวิริตา คือการตกในคำของพระาศาสดานะก็ขอให้อา น, นิสงส์เหล่านี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตกิจวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดขายได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรบุนิพันธในนากตการัในใกล้โดยเท่านาการทุกท่านทุกคนเทิน